นะโมตัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนามัตสามิ บทนี้จักได้แสดงธรรมะกราสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่6บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาษิตเซโลยะถาเอกะขะโนวาเตนะนสมีรติเอวังนินทาประสังสาสุ ณสำ ม, มินชันติปันฑิตาความว่าบันดิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสารเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นอธิบายความนินทาและสารเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็นสองในแพระอตถกถาจาร์กล่าวว่าจริงอยู่ ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโล ก, กธรรมไว้ยสองอย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโล ก, กธรรมทั้ง8ประการโล ก, กธรรม8นั่นคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาบยศสารเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่า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 เลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสารเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตใจของตนให้มั่นคงสัมรวมความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้ว ว่าดำเนินไปในทํานองครองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทําความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทา น, นั้นเพื่อไม่ให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทําความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องและเพื่อทำเรื่องประกอบพระลักุนดกพัทธิยะเถระพระพัทธิยะเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามเณร น, น้อย ดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหรันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพรางเย้าหยอกว่าพ่อเนรน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระพัทยาก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่า ภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกรพระพัตยเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสาธรรมมิกล่านั้นน่าอัศจรร์จิงพระาศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาส่งทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอรหรันย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้าย เพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุษศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเซโลยะถาเอกขโนเป็นอาทิมีนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นนั้นแหละเจ็ดผ่องใสเพราะธรรมพระพุทธภาสิทธยะถาปิระหโทคัมพีโร วิปสันโนโอนาวิโลเอวังธรรมานิสุตตวานะวิปสีทันติปันติตาความว่าบันดิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเสมือนห้วงน้ำใสไม่ขุนมัวฉะนั้นอธิบายความในที่อื่นพระศาสดาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมห้าอย่างคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง สองสิ่งใดเคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสในมงคลรัูต ร, ร า, าสดาทรงแสดงการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งทำให้ละความชั่วประพฤติความดีไปจนถึงทาอาสวะให้สิ้นได้เพราะการฟังธรรม โดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามักเกลือกลัวอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลกโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นทุลีอันปิวมาจากทิศต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาโสรถสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดี เหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกรปรกแล้วซักเสียครั้งหนึ่งเมื่อสกรปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปืเป้อนเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกรปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภ บ, บ้างโกรธบ้างหลงบ้างยอมแลกยติยศกับความปรารถนาทางกามะวัตถุเล็กๆน้อย ยอมเนรคุณผู้มีคุณด้วยเรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องหลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คุกครีดอยู่ด้วยธรรมชอบธรรมย่อบเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหนงหนายจากธรรมย่อบเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระาศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจเจริญ บางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมาก่อนแต่ต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยจึงจะมองเห็นเรื่องประกอบมารดาของนางกานา มารดาของนางกานาทอดขนมเพื่อให้ลูกสาวคือนางกานาถือติดมือไปสู่สกุลผัวแต่ปรากฏว่าเมื่อภิกษุมาบิณฑบาตนางได้ถวายภิกษุสี่รูปเสียถึงสี่ครั้งเมื่อนางกานารอขนมจากแม่อยู่สามีของนางเห็นนางไม่กลับจึงมีภรรยาใหม่นางกานาทราบดังนั้นจึงด่าว่าบริาพาสภิกษุน า, นานาประการเช่น การคลองเรือนของเราถูกภิกษุพวกนี้ทำให้ฉิบหายเสียแล้วเป็นต้นภิกษุทั้งหลายไม่สามารถเดินไปยังถนนได้เพราะนางกานาเห็นทีไรเป็นต้องด่าทุกทีไปพระศ า, าสดาทรงทราบข่าวนั้นจึงเสด็จไปที่บ้านของนางกานามานดาของนางได้ต้อนรับอย่างดีถวายข้าวยาคูของขวัเคี้ยวเมื่อเสวยเสร็จแล้วตรัสถามถึงนางกานามารดาของนางทูลว่า การนาเห็นพระองค์แล้วเก้อเขินไม่อาจเข้าเฝ้าได้ยืนร้องให้อยู่พระศาสดารับสั่งให้นางการนาเฝ้าตัดถามว่าร้องให้ทาไมแต่นางการนาไม่อาจตอบได้เพราะเก้อเขินมารดาของนางต้องตอบแทนพระศาสดาจึงตรัสว่าก็การที่สาวกของเรามารับขนมไปนั้นเธอรับเฉพาะส่วนที่อุบาสิกาให้แล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข่า มานดานางกานาทูลเมื่อเป็นเช่นนี้สาวกของเราจะมีโทษอะไรเล่าโทษของภิกษุทั้งหลายไม่มีพระเจ้าข้ามีแต่โทษของนางกานาเท่านั้นพระศาสดาตรัสให้นางกานายอมรับความจริงเรื่องนี้แล้วนางได้ถวายบังคมพระพุทธองค์และขอให้พระองค์ทรงอดโทษอภัยในคำล่วงเกินของนางที่มีต่อภิกษุสงฆ์ พระศาสดาทรงแสดงอนุปพิกถานางได้บรรลุโสดาปติผลพระศาสดาทรงทราบว่านางกานาได้บรรลุโสดาปติผลแล้วสเสด็ดลุกจากอาสนะไปสู่วัชเชตวันสเสด็จผ่านพระลานหลวงพระเจ้าพระเศนทิโกสนทอดพระเนตรเห็นจึงให้ราชบรุษรีบวิ่งไปทูลว่าพระองค์จ ะ, สะเสด็จไปเฝ้าขอให้ทรงรออยู่ที่พระรานหลวงก่อน พระราชาเสด็จไปเฝ้าที่พระรานหลวงทรงทราบเรื่องทั้งปวงที่พระศาสดาเสด็จไปสู่เรือนของนางกานาและทำนางการนาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์แล้วพระราชาทูลพระศาสดาว่าพระองค์ทรงทำนางการนาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ส่วนหมอมชั้นจะทำนางให้เป็นเจ้าของโลกีทรัพย์ดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดาเสด็จกลับ ทรงสงยานใหญ่ที่ปกปิดในอินเดียายานพาหนะเกียรติยศจะต้องมีผ้าคลุมเบื้องบนและทั้งสี่ด้านไม่ให้เห็นคนนั่งอยู่ภายในใผู้เขียนไปรับนางกานามาเฝ้าให้ประดับด้วยเครื่องอาพรทุกอย่างตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชธิดาองค์ใหญ่แล้วตัดว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางกานาไป มหาอมาตย์ผู้ใหญ่ผู้สำเร็จราชการทุกอย่างได้ขอรับนางไปเลี้ยงมอบความเป็นใหญ่ให้ทุกอย่างให้นางทำบุญได้ตามใจปรารถนาตั้งแต่นั้นมานางการนาได้ตั้งคนบริจาคทานไว้ที่ประตูทั้งสี่ทิศแต่ไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีใดมารับอาหารของนางเลยโดยเฉพาะอาหารที่เตรียมไว้ที่ประตูเรือนของนาง ได้เป็นเสมือนของอันไร้ประโยชน์ไม่มีใครต้องการรับวงเล็บคงจะเป็นเพราะที่เคยด่าว่าภิกษุมามากจนไม่มีใครกล้าหรือไม่ปรารถนามาเกี่ยวข้องรับทายธรรมวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันที่ธรรมสภาว่าภิกษุสีรูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางกานาด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมาก แต่ได้อาศัยพระาศาสดานางจึงเป็นผู้มีศัตธามีประตูเรือนอันเปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่น่าสงสารที่ไม่มีใครไปรับพยธรรมของนางเลยโอ้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรจิงพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามเรื่องที่ภิกษุสนทนากัรทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งสี่รูปนั้นทาความเดือดร้อนแกนางกานา มิใช่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็ทำความเดือดร้อนให้แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้เป็นที่พึ่งของนางแล้วแม้ในอดีตดังนี้แล้วตรัสพระพุชาดอะไรพระพุชาด ก, าดกเอกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่27หน้า44และอัตถกถาแห่งชาดกนั้นภาคสองหน้า364อาจารย์วสินอินทสระ พัพภูชาดกเป็นต้นว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูและเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองที่สามและที่สี่ก็มาณนะที่นั้นแมวเหล่านั้นทำลายปล่องแล้วถึงความตายดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าแมวสี่ตัวในการนั้นมาเป็นภิกษุสี่รูปหนูในการนั้นได้มาเป็นนางกาณาส่วนนายช่างแก้วคือเราตถาคตพระาศาสดาตรัสต่อไปว่า ภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนางกานาได้เป็นผู้มีใจหม่นหมองมีจิตขุนมัวแต่ได้อาศัยเราจึงเป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห้วงน้ำใสดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายถาปิระหะโทคัมพีโรเป็นอาธิมีในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น 8. บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงพระพุทธภาษิต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 เพาประสบสุขหรือทุกข์อธิบายความคําว่าทำทั้งปวงในที่นี้หมายถึงทำทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสัตตบุรุษในที่นี้ท่านหมายเอาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ติดทั้งในบุญในบาปท่านจึงเรียกว่าปุญญปาปหฮิโนผู้ละบุญและบาปได้แล้ว แม้ในพระนิพพานท่านก็มิได้ติดอยู่มิได้เพลินอยู่เพราะความเพลินทุกอย่างเป็นมูลแห่งทุกข์วงเล็บมูลปริยยสูตรมชิมนิกายมูลปนาตพระศาสดาทรงสแสดงธรรมเป็นประดุลเรือหรือแพรสำหรับข้ามฝั่งเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ขึ้นไปจากเรือไม่ต้องติดอยู่ในเรือการประพฤติธรรมก็ฉันั้นทำเป็นเหมือนเรือหรือแพรสังสารวัตเหมือนน้ำ หรือมหาสมุทมนิพพานเหมือนฝั่งโน้นที่เราต้องการไปให้ถึงเมื่อถึงฝั่งโน้นคือนิพานแล้วก็ทิ้งเรือทิ้งแพได้ไม่ต้องติดอยู่ในเรือหรือแพนั้นเพราะฉะนั้นพระศ า, าสดาจึงตรัสว่าสัตว์รุษทั้งหลายย่อมไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงทรงแสดงว่าไม่เพียงแต่อธรรมเท่านั้นที่ทรงสอนให้ละแม้แต่ธรรมก็ทรงสอนให้ละเสียแต่ต้องละอาธรรมก่อนแล้วจึงละธรรมในภายหลัง ถ้าละทมก่อนก็ไม่อาจให้ถึงฝั่งได้เหมือนคนทิ้งเรือเสียตั้งแต่ยังมิทันได้ข้ามฝัง่งรังแต่จะจมน้ำตายเป็นเหยื่อของปลาร้ายในสาครในบาทคาถาที่สองว่าผู้สงบแล้วย่อมไม่เพอเพราะความใคร่ในกามมีอธิบายโดยย่อ ด, ดังนี้ผู้สงบแล้วจากกามตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ละกามราคะได้แล้ว กามไม่สามารถทำให้ท่านเหล่านั้นบนเพอร่พันถึงได้อีกดวงจิตของท่านสงบผองแผ้วจากกามความจริงในชีวิตของปุถุชนไม่มีอะไรก่อความวุ่นวายให้มนุษย์ยิ่งไปกว่าความใคร้ในกามมันทำให้คนเสียคนมาม า, มากต่อมากแล้วปุถุชนบ่นเพอและทะเลาะ ก, กันก็ด้วยเรื่องกามเป็นเหตุคำว่ากามที่กล่าวถึงนี้หมายทั้งวัตถุ ก, กามและกิเลสกาม มีบงเดียภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่เดี๋ยวอ่านจะไม่ถูกไม่อ่านก็ได้เนาะหรือ p r i ซสิ่งอ็อบเจกต์แอนด e พรีเซนต์ฟงว่างั้นวัตถุ ก, กรามคือสิ่งอันหน้าใคร่กล่าวคือรูปเสียงกลิภภ่นรสโผฏฐะกิเลสกรามคือตัวความใคร่เพราะความดำริถึงรูปเป็นต้นนั้นท่านเรียกว่าสังกัปปะราคะคนที่บ่นเพ้อหากรามเป็นส่วนใหญ่ตราบใดที่ใจยังเป็นอย่างนี้ ความสงบอันแท้จริงก็มีไม่ได้ถูกกรารกระทบกระทั่งอยู่เสมอเสมือในใบไม้ที่ต้องไหวเพราะแรงลมผู้สงบแล้วย่อมไม่บ่นเพ้อเองและไม่ทําผู้อื่นให้บ่นเพ้อคือไม่ติดใจในสิ่งใดและไม่ทําผู้อื่นให้ติดใจตนในบาทคาถาที่สามและที่สี่ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะประสบสุขหรือทุกข์มีอธิบายดังนี้ เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังผัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกบ้างก็ย่อมจะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้นตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทํามาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสําหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคนสุขทุกเป็นเครื่องประกอบอันสําคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากความทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินและการดำรงชีวิตของเขานั้นพวกฮิโดนิสเห็นว่าความสุขเป็นความดีในชีวิตของมนุษย์ความสุขเป็นจุดประสงค์หรือเป้าหมายอันสูงสุดของมนุษย์พวกฮิโดนิส มีหลายสายด้วยกันไม่ขอนํำมากล่าวในที่นี้เพราะมีเรื่องมากเกินต้องการในที่นี้พระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้สแสวงหาความสุขโดยชอบทมไม่สแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทำ อย่างไรก็ตามสุขทุกข์ทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกเปิดช่องว่างไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้เมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกข์นี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะสุขและทุก ประสบสุขก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่เมาในความสุขนั้นดังเรื่องต่อไปนี้ภิกษุห้ารอยรูปในสมัยปฐมโพธิการคือระยะที่พระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนาตอนแรกแรกพระศาสดาเสด็จไปเมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิษุห้ารอยูปเวรัญชพรามทูลอาราธนาให้อยู่จาพรรษาในเมืองเวรัญชานั้น แต่บังเอิญเวรัญชพรามได้ลืมเสียตลอดพรรษาไม่ได้บำรุงไม่ได้ถวายอะไรแก่พระศาสดาได้ภิกษุสง์เลยประจวบกับปีนั้นเกิดข้าวยากหมากแพงคือทุพพิฆภัยในเมืองเวรัญชาอีกด้วยภิกษุทั้งหลายได้รับความอดอยากแต่ก็มีความอดทนไม่ได้ประพฤติอนาจารใดๆเพื่ออาหารเลยวงเล็บอนาจารคือการประพฤติอันไม่สมควรแก่เพศ ภาวะของตนพระมหาโมคลานะทูลพระศาสดาว่าจะไปเอางวนดินจากที่ที่มีวงวนดินดีมาให้ภิกษุทั้งหลายฉันแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียพระมหาโมคลานะประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายไปบิณทบาตในอุตรกุรุทวีปแต่พระศาสดาก็ทรงห้ามเสียอีก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 แต่ไม่ได้เคยถวายอะไรเลยเกิดความเดือดร้อนใจได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระาศาสดาเป็นประมุขให้ฉันในนิเวศของตนแล้วถวายธยธรรมเป็นอันมากพระาศาสดาเสดจาริกไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งควยันโกศลได้รับการต้อนรับจากชาวสาวัตถีอย่างมโหฬารภิกษุทั้งหลายได้อาหารอันสมบูรณ์ประณีตจากชาวเมือง แต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้แสดงอาการขนองแต่ประการใดคงสงบสงี่ยมอย่างเดิมส่วนคนกินเดนวงเล็บคนวัด5 0าร้อยคนบริโภคอาหารอันประนีต ท, ที่เหลือจากภิกษุแล้วนอนหลับลุกจากที่นอนแล้วไปสู่ท่าน้ำส่งเสียงโหร้องเอ็ดอึงซ้อมมวยปล้ำเล่นกันต่างๆประพฤติแต่อนาจารทั้งในวัดและนอกวัด วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเรื่องความคึกขนองของคนกินเดนเหล่านั้นและความสงบสงเงียมเรียบร้อยของภิกษุทั้งในคราวอดอยากและคราวบริบูรณ์พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องแล้วตรัสเล่าเรื่องวาโลทะกะชาดกวงเล็บชาดกที่ว่าด้วยน้ําหางใจความว่าพวกลาดื่มน้ําหาง น้ำหางคือน้ำกากลูกจันทที่เหลือจากหัวน้ำที่เขาคันให้ม้าอาชะนายแล้วมีรถน้อยเมามากคึกขนองเพราะได้ดื่มน้ำหางนั้นส่วนม้าสินทพแม้ดื่มน้ำอันมีรถประณีตก็ไม่ได้แสดงอาการเมามายหรือหลงติดในรถนั้นข้าแต่จอมนรชนรา n a n c h a a t เลวดื่มน้ำมีรถน้อยแล้วเมาส่วนม้าอาชะนายมีตระกูลดี แม้ดื่มน้ําอันมีรสเลิศแล้วก็หาเหมาไม่ข้อความนี้พระโพธิสัตว์ได้กราบทูลพระราชาผู้ทอดพระเนตรเห็นอาการของลาแล้วตรัสถามวงเล็บในปัจจุบันมนุษย์บางคนก็เหมือนลานั้นได้น้ําหางกล่าวคือมีความรู้บ้างยศบ้างลาบบ้างตําแหน่งบ้างเข้าหน่อยหนึ่งก็เมาในความรู้ในลาบยศและตําแหน่งเป็นต้นนั้นกระทําตนเสมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านั้นคนอื่นไม่เคยได้ไม่เคยถึง ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้นเมาตนหลงตัวมีมาณจัดลบหลู่คุณของผู้มีคุณจัดว่าเป็นคนมีสันดานเลวส่วนคนมีสันดานดีมีสันดานบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ยศลาภและตาแหน่งดีและสูงเพียงไรก็ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นแต่อาศัยสิ่งนั้นทำประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปเหมือนม้าสินทบชาติอาชนายไม่เมาในน้าอันมีรสเลิศ พระาศาสดาตรัสวาโลทะกะชาดกแล้วตรัสพระคาถาว่าสัพพ ะ, ะเวสัพปริสาวันติเป็นอาทิมีนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นนั่นและเก้าบัณฑิตไม่ทำบาปพระพุทธภาสิทธณะตะเหตุนะปรสะเหตุนะปุตตมิเฉนะ ท่านังนะรัถถังนะอิเฉยยะอธรรมเณมณนะสมิธิมั ต, ตโนณศนะีละวาปัญญาวาธรรมมิโกียาความว่าบัณฑิตย่อมไม่ทาบาเพราะปรารบตนหรือเพราะปรารบผู้อื่นย่อมไม่ปรารถนาบุตรทรัพและแว่นแควนไม่ปรารถนาความสาเร็จของตนโดยอาธรรมบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีศีลมีปัญญาเป็นผู้ครองธรรม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 ความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปคนทำบาปไว้มากย่อมมีทุกข์เป็นผลตอบแทนคนทำบุญไวมากมีสุขเป็นผลตอบแทนเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงทรงสอนให้กลัวบาปแต่อย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุขพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนเสริญบาปไม่ว่าจะทำเพราะเหตุใดคือไม่ควรจะมีข้ออ้างเพื่อจะทาบาปบางคนทาบาปเพราะเรื่องของตน บางคนทำบาปเพราะเรื่องของคนอื่นบางคนทำทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นแต่บัณฑิตย่อมไม่ทำเช่นนั้นบัณฑิตย่อมเว้นบาปทั้งเพราะเรื่องของตนและเรื่องของคนอื่นอันหนึ่งบัณฑิตคือพระอรหันต์ย่อมไม่ปรารถนาบุตรรั์หรือความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นเพราะได้มองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุตรก็ดีรั์ก็ดีความเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นก็ดีล้วนเจือไปด้วยทุกข์ หาใช่ความสุขอันบริสุทธิ์ไม่มีภาระหนักใจเจืออยู่มิใช่น้อยนอกจากนี้ยังเป็นทางมาแห่งบาปหลายประการไม่ปลอดโปรง่งบัณฑิตเมื่อต้องการความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสวงหาและพยายามโดยชอบธรรมไม่ประสงค์ความสำเร็จโดยอธรรมมองเห็นผลสำเร็จโดยอธรรมเมื่อวิธีว่าเป็นสิ่งอั ป, ปยศ ส่วนผลสสำเร็จโดยธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเกียรติยศเป็นมงคลระลึกถึงได้ด้วยความสุขใจบัณฑิตเช่นนั้นย่อมเป็นผู้มีศีลมีปัญญาดำรงตนอยู่ในธรรมคุณลักษณะดังกล่าวมาของบัณฑิตย่อมอำนวยสวัสดีให้แก่ตนและผู้เกี่ยวข้องดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอุบาสกผู้ตั้งอยู่ในธรรม อุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัถีครองเรือนโดยธรรมคือเป็นเครื่องหัดที่มีธรรมประจําใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากปรารถนาจะบวชวันหนึ่งจึงบอกแก่ภรรยาแต่ภรรยาขอร้องไว้ว่าค่อยบวชเมื่อนางคลอดลูกในท้องแล้วเขาคอยเมื่อนางคลอดลูกแล้วและลูกเดินได้แล้วก็บอกลาเช่นนั้นอีกแต่ภรรยาบอกว่าขอให้ลูกเป็นหนุ่มก่อนเถิด เขาจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเสียแล้วในการบอกภรรยาเพราะเธอห้ามไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าจึงไม่ได้บอกลาภรรยาออกไปบวชเรียนกรรมฐานและพยามโดยติดต่อไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหัตผลกลับมาเมืองสาวัตถีอีกเพื่อเยี่ยมบุตรและภรรยาเก่าบุตรได้ฟังธรรมจากภิกษุผู้เป็นบิดาแล้วออกบวชบวชแล้วไม่นานนักได้บรรลุพระอระหัตผลเหมือนกัน ฝ่ยายภรรยาคิดว่าเราอยู่คลองเรือนเพื่อคนเหล่าใดคนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้วจะประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่คลองเรือนเราจะบวชเหมือนกันนางไปขอบวชในสำนักภิกษณุณีไม่นานนักได้สำเร็จพระอรหันตผลวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในธรรมสภาว่าทรมิกอุบาสกออกบวชแล้วบรรลุพระอรหันต ได้เป็นที่พึ่งของบุตรและภรรยาด้วยพระาศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบันดิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นโดยอธรรมพึงตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าณัตถะเหตุณประัสะเหตุเป็นอาทิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นนั่นแหล 10. คนส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาสิทอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปราคามิโนอทายังอิตราปชาตีระเมวนุทาวติเยจโคสัมมทักคาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนเตชนาปราเมสันติมัจยุเทยังสุทุตรัง ความว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจํานวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเราใดประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบ่วงมาน แ, แล้วจักถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากก็อธิบายความคําว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยะวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่ง ท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยะวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายน า, นานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกมากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกเจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกเพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคลาอยู่ด้วย ท่านจึงเรียกว่าสามิท ส, สุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเหยื่อสุขที่เจือด้วยอามิทอามิทคือเครื่องล่อเหยื่อสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกามเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากการหมกมุ่นผัวพันอยู่ในกามและตายไปในกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็ามาฆ่าไปเสียอีก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 บวงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่การเป็นห่วงน้ําที่ข้ามได้ยากยิ่งวงเล็บสุดทุตระังคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้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 เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยพบแล้วข้องอยู่ในพบนั่นเองมีมากมาย ส่วนพูดถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนทิทิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอปาาเตมนุสเสสุเป็นอาทิมีเนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้น 11. บนดัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้วพระพุทธภาษิต กันหังธรรมังวิปปหายะสุกังภาเวทะปันฑิโตโอกาอโนกมาคัมมะวิเวเกยัตถุรมังตัตตราภิรติมิตเฉยยะอิตวากาเมอกินจโนปริโยทะเปยะอัตานังจิตตะเกละเสหิปันฑิโตเยสังสัมโพยังเเคสุสัมมาจิตตังสุภาวิตังอาฐานะปฏินิสเคอนุปาถายะเยระตา ขีณาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพุตตาความว่าบัณฑิตละธทำดำแล้วออกจากอะไรอาศัยธรรมไม่มีอะไรจะเจริญทำขาวละกามทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลยินดีในวิเภกซึ่งคนทั่วไปเยินดีได้ยากบัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีในธรรมอันเป็นองค์แห่งการตัดสรู้ ยินดีในการปล่อยวางพอใจในความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระขี่นาศบรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายความคําว่าทำดำําหมายเอาทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคําว่าทำขาวหมายถึงสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นคําว่าอะไรหมายถึงกามคุณออกจากอะไรคือออกจากกามคุณ กามคุณคือกลุ่มกราร ม, มีรูปเสียงอันน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นวิเวก น, นั้นมีสามคือกายวิเวกจิตตะวิเวกอุปธิวิเวกกายวิเวกความสังัดทางกายคือกายไม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะจิตตะวิเวกสังัดจิตคือจิตได้ฌานแปดอันสงัดจากการและอกุศลอุปธิวิเวกสังัดกิเลสคือใจหมดกิเลสทั้งหยาบและละเอียดคาว่าธรรมอันเป็นองค์แห่งการตัดสรุนั้น ท่านหมายเอาโพธิปัจกียธรรม37คือสติปทานสี่สัมมาปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพระหโพชงเจ็ดมักมีองค์8ความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นในกามเรียกกา ม, มุปาทานยึดมั่นในตัวตนเรียกว่าอัตวาทุปาทานยึดมั่นในศีลและพรสเรียกศีลปัตตุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐุปาทาน การปล่อยวางท่านเรียกว่าอนุปาทานยิ่งยึดมั่นมากยิ่งมีทุกมากยิ่งปล่อยวางมากยิ่งมีสุขมากการยึดถือหรือการยึดมั่นถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวตนเป็นทุกโดยรวบยอดหรือโดยสรุปคือกล่าวโดยย่อวงเล็บสังเกตเณรปัญจ ป, ปาทานะขันธาทุกขา กล่าวโดยสรุปดังนี้บุคคลผู้มีปัญญาละธรรมดำคือทุจริตแล้วเจริญธรรมขาวคือสุจริตละกามอันละได้ยากพอใจในวิเวกสำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส ท, ทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงดับสนิทคือปรินิพานด้วยปรินิพานสองอย่างคือสอัปาทิเสสนิพานเพราะกิเลสวัดสิ้นไปอนุปาทิเสสนิพานเพราะขันธวัดสิ้นไป พระศาสดาตรัสพระคาดฐานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพวกภิกษุอาคันตุกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุอาคันตุกะสมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีภิกษุประมาณ500รูปจปําพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลเมื่อออกพรรษาแล้วปรึกษากันว่าควรจะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วส่วนกันไปเฝ้า ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนพระศาสดาผู้ทรงเป็นธรรมราชาทรงรอบรู้อัธยาศัยและอธิมุตของภิกษุทั้งหลายด้วยดีทรงพิจารณาธรรมอันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของภิกษุผู้มาเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมด้วยหัวข้อว่ากันหังธรรมังวิปปหายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นวรที่6เรียกว่า บันดิตวะคะวันนานารวมส1บเอดเรื่องจบเพียงเท่านี้เจ็ดว่าด้วยอรหันตารหันตะวัคะวันนานาหนึ่งความเร่าร้อนไม่มีแก่ใครพระพุทธภาษิตข้ตัดทิโนวิโสกัสสะวิปมุตตสสะสัพพิสัพพัคันทัพ พระฮินัสสะปริราโหณวิชติความว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลถึงแล้วผู้ปราชจากความโศผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วความเร่าร้อนมีสองอย่างคือความเร่าร้อนภายนอกหมายถึงความเร่าร้อนทางกายหนึ่งความเร่าร้อนภายในหมายถึงความเร่าร้อนใจหนึ่ง ในที่นี้ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายในด้วยอำนาจกิเลสความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ไม่มีแก่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วคือเดินทางไกลถึงแล้วทางไกลนั้นมีสองอย่างคือทางไกลกันดานธรรมดาหนึ่งทางไกลกันดานคือสังสารวัตรหนึ่งในที่นี้ทรงหมายเอาทางไกลคือสังสารวัตร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 ไม่มีสิ่งใดมาผูกพันยึดเหนี่ยวให้ติดได้อีกกิเลสเครื่องร้อยรัดมีการเป็นต้นวงเล็บกามคันทะเป็นกิเลสก่อความเร่าร้อนร้อนทั้งตนเองและยังบุคคลคนอื่นให้ร้อนด้วยความริษยาความพลัดพลากความไม่สมหวังต่างๆการเป็นต้นนี้ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพเหมือนปลาที่ชาวประมงร้อยไวย้ด้วยเชือก การเป็นกิเลสอันทารุณอย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และดิรลฉานทําให้เล่าร้อนกายเล่าร้อนใจอยู่เสมอความเร่าร้อนย่ไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกลคือสังสารวัต ถ, ถึงแล้วถึงปลายทางแล้วไม่เศร้าโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงและกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วพระศาสดาตรัตพระพุทธภาสิทธินี้เมื่อประทับอยู่ณนะสวนมะม่วงของหมอชีวก ทรงปรารภคำที่หมอชีวกทูลถามมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะโปรงพระชนพระพุทธเจ้าพระเทวทัตขึ้นสู่ยอดเขาคิดสกูรกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่จะงอนหินใหญ่รับหินนั้นเอาไว้สเก็ตที่แตกจากหินอันพระเทวทัตกิ้งลงมานั้น ไปกระทบพระบาทพระาศาสดาทําให้พระโลหิตพ่อทรงได้รับทุกขเวทนามากภิกษุทั้งหลายนําพระาศาสดาไปยังสวนมัตถกุชิแต่พระาศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จต่อไปอยังสวนมะม่วงของหมอชีวกจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายนําไปที่นั่นหมอชีวกทราบเรื่องแล้วรีบไปสู่สํานักของพระาศาสดาถวายเพสัตว์อย่างดีพันแผลไว้ แล้วกราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ข่าพระพุทธเจ้าประกอบอยางให้คนไข้คนหนึ่งไว้ภายในพระนครข้าพระองค์ไปเยี่ยมไข่เขาก่อนแล้วจะรีบกลับมาเฝ้ายาที่พออไว้นี้ขอให้อยู่อย่างเดิมวงเล็บย่าให้ใครแก้ออกจนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหมอชีวกไปทำหน้าที่ของหมอแก่คนไข้ของเขาในเมืองเสร็จแล้วรีบ จะออกมาเฝ้าภาษาสดาแต่ออกไม่ทันประตูเมืองปิดซะก่อนเขาตั้งใจจะออกมาแก้แผลให้พระพเจ้าเมื่อเป็นดังนั้นจึงปรารกรกับตนด้วยความร้อนใจว่าแย่จริงเราทำกรรมหนักเสียแล้วที่พันแผลภาษาสดาไว้ดุดคนสามันเวลานี้เป็นเวลาแก้แผลนั้นยาเป็นยาแรง เมื่อไม่ได้แก้แผลออกในเวลานี้ความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นในพระศรีระของพระพุทธองค์พระองค์จะไม่สามารถบรรทมได้ทั้งคืนเพราะทุกขเวทนาพระศาสดาผู้มีพระาญาณอันไม่มีที่ติดขัดทรงทราบความคิดของหมอชีวกแล้วตรัสเรียกพระอานนท์มาให้แก้แผลเมื่อพระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกแล้วแผลนั้นหายสนิทเหมือนสะเก็ดไม้หลุดจากต้นไม้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 ความเร่าร้อนทั้งปวงของตถาคตสงบป ร, ราบคาบแล้วที่โพธิมณฑลนั่นเองดังนี้แล้วตัดพระพุทธภาสิทว่าขัดธิโนวิโสกัสสะเป็นอาทิมีนยะรังพรนานามาแล้วแต่ต้นนั่นแหล